จึงมาคิดถึงความเป็นอจริยะของท่านอาจารย์มั่นมิใช่ว่าจะเยินยอท่านจนเกินความจริงแต่ท่านเป็นอจริยะจริงๆเพราะผู้เขียนก็ชอบตรงไปตรงมาอยู่แล้วคนจะมาพูดเกินความจริงหรืออ้อมค้อมไม่ชอบการอยู่กับท่านอาจารย์มั่นในพรรษานี้จึงเป็นการศึกษาทั้งธรรมะและศึกษาทั้งตัวของท่านอาจารย์ด้วย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 อย่างที่ไกลๆจะได้ยากวันหนึ่งตอนเช้าขณะที่ผู้เขียนเตรียมคลีสังคติซ้อนจีวอนหลังจากถวายการครองจีวอนให้ท่านเสร็จแล้วท่านได้เหลือบมองเห็นสังคติของผู้เขียนแตกตะเข็บหลายแห่งและผู้เขียนเย็บชุนเอาไว้ท่านถามว่าสังคติขาดแล้วใช่ไหมยังไม่ขาดเป็นแต่เพียงแตกตะเข็บครับผม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 เราอาจจะต้องเป็นคนอาพับจนถึงกับท่านไม่อาจจะรับเอาเราเป็นสิทธ์ของท่านก็เป็นได้ขณะนี้เราก็เพิ่งจะมาอยู่กับท่านเพียงปีเศษเท่านั้นท่านจะเอาผ้าสังขติมาเสียงบารมีเสแล้วเห็นทีจะแย่เสละกระมังคราวนี้และขณะนี้เป็นระยะเวลาของสงครามโลกครั้งที่สองยังไม่สงบผ้าที่จะใช้หายาจริงๆว่าจะได้แต่ละผืนนานนักชาวบ้านต้องนุ่งผ้าขาดหน้าขาดหลัง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 ผู้เขียนไม่สนใจของอื่นนอกจากผ้าจะมีหรือไม่หนอพอจะทาสังขติได้ผู้เขียนก็ต้องอุทานขึ้นมาในใจว่าโอ้ผ้าทำสังขติมีแล้วนี่ยังไงแต่นึกยิ้มอยู่ในใจไม่พูดอะไรเลยท่านอาจารย์เหลือมองมาอย่างข้าพเจ้ายัางกะจะพูดอะไรสักอย่างแต่ท่านก็ไม่พูด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 จากบ้านนามนไปถึงพระาธาตุพนมเป็นหนทางประมาณห0กว่ากิโลเมตรส่วนพระเทรา・นุเทราทั้งหลายก็ติดตามไปภายหลังเมื่อท่านกําหนดวันเป็นที่แน่นอนแล้วได้ออกเดินเท้าจากบ้านนามนโดยมีผู้เขียนติดตามกับคารวาสอายุคลางคนไปด้วยการเดินทางครั้งนี้จึงเป็นที่พอใจของผู้เขียนอย่างบอกไม่ถูกนับเป็นบุญของตัวแท้ทีเดียว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 เออดีท่านว่าและท่านเล่าว่าทุ่งจำปานาแก่นี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของคนในระแวกนี้และนาแถบนี้ไม่ค่อยจะเสียดีทุกๆปีแต่ระยะที่พวกเรามาเขาเก็บเกี่ยวกันหมดแล้วดูแต่สัางข้าวเป็นไรสัางใหญ่ๆทั้งนั้นแสดงว่าข้าวงามมากปีนี้ทาให้ผู้เขียนคิดในใจว่าท่านอาจารย์นอกจากท่านจะมีความรู้ในธรรมะแล้ว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 หาควรไหมในที่นี้เป็นที่ธุระ ก, กันดานควรจะรับยกเว้นพระวินัยข้อนี้กระผมผู้เขียนตอบไม่มีการยกเว้นในเมื่ออยู่ในความสามารถท่านพูดและพูดต่อไปว่าทั้งที่รับและที่แจ้งก็ต้องรักษาพระธรรมวินยัยถ้าผู้ใดมาหาวิธีหลีกเลี่ยงพระธรรมวินัยแม้เล็กน้อยผู้นั้นชื่อว่าทำลายตนเอง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 ต่อจากนั้นก็ออกจากร่มไม้เดินเข้าหนทางกันต่อไปมันเป็นทางที่ไม่ค่อยเปลี่ยวเท่าไหร่นักและขณะที่สิทธิ์กับอาจารย์ก็กําลังเดินอยู่ในเขตของอําเภอนาแกจังหวัดนครพนมหนทางนี้เป็นทางสัญจรของประชาชนแต่ก็ไม่มากนัก น, น, นานๆจะพบคนและหมู่บ้านเป็นระยะถ้าผู้เขียนหวนระลึกถึงทางที่เดินผ่านภูเขาดงพญาเย็นมาแล้วการเดินทางผ่านเข้าอําเภอนาแกนี้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 สบายบอกไม่ถูกในขณะนั้นตึงกับอุทานออกมาเองว่าคุณของพระพุทธศาสนามีถึงเพียงนี้เทียวหรือต่อจากนั้นปรากฏว่าเดินกลับมาที่เดิมและขึ้นศาลาหลังนั้นมองไปโดยรอบไม่เห็นใครแม้แต่เพื่อนของผมคง ม, มองเห็นแต่ร่างของผมนั่งอยู่ผมมานึกว่าเอะทำไมเราจะเข้าร่างเราได้เนาะทันใดนั้นผมก็รู้สึกตัวแต่เมื่อรู้สึกตัวขั้นแรกนั้น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 มันก็แม่นแล้วเธอมีความเป็นต่างๆมีบา ร, รมีพอสมควรีิะนั้นจะได้บวชหรือวันนี้สองสิทธิ์อาจารย์ก็เดินไปถึงบ้านนาโศกอำเภอนาแกมีวัดป่าอยู่วัดหนึ่งและที่แห่งนี้เมื่อหลายปีมาท่านเคยมาพักแต่ไม่เป็นวัดท่านได้พาผู้เขียนเข้ามาพักอยู่วัดนี้และก็เป็นความดีใจของสมพานเป็นอย่างยิ่งบุลีกุจอจัดการสถานที่พัก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 หลังจากฉันพัตหาชาแล้วสองสิทธิอาจารย์ก็เดินทางกันต่อไปโดยมีโยมบ้องบ้องคนหนึ่งเป็นผู้ช่วยเหลือบริขารและเป็นกัปิยาการกไปในตัวด้วยกัปิยาการกหรือกัปิยาการกะคือผู้ปฏิบัติภิกษุในเรื่องปัจจัยสี่ผู้ทำของให้สมควรมีการหลายอย่างที่พระทำเองไม่ได้เช่นก่อไฟหุงต้มอาหารจับเงินทองต้องให้ลูกศิษย์ทาให้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 นาไร่แถบนี้ไม่ค่อยจะเสียหายด้วยการแล้งน้ําหรือด้วยการน้ําท่วมทําให้ชาวบ้านแถบนี้มีความเป็นอยู่ไม่แร้นแค้นนักตามที่ผู้เขียนมักจะสังเกตคําพูดของท่านอาจารย์อยู่เสมอเสมอเราไม่ใช่แต่ฟังเท่านั้นจะต้องจดจําที่สําคัญสําคัญเอาไว้เล่าให้คนอื่นหรือสิทธิ์ของเราฟังต่อไปครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนอกจากท่านจะพูดถึงเรื่องคนในย่านนี้แล้ว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 ก็กลัวว่าจะเสียเกียรติอะไรเสียอย่างนั้นซึ่งเป็นทางเสียหายมากการเดินทุดงคครั้งนี้แม้จะไม่มาราธอนเหมือนกับที่ท่านอาจารย์โกงมาพาเดินจากจังหวัดจันทบุรีถึงจังหวัดสกลนครก็ตามแต่ก็เป็นการเดินทุดงแบบสาธิตก็เพราะเดินทุดงไปแล้วได้ฝึกฝนจิตใจทั้งได้รับความรู้แปลกๆใหม่ๆ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 ผู้เขียนก็รีบจาัด ก, การหาน้ำเพื่อถวายให้ท่านสงฆ์ขณะนั้นก็เป็นเวลาจวนค่ำแล้วท่านใช้ให้ผู้เขียนกับอุบาสกคนบองบองนั้นไปจัดทางเดินจงกรมทําให้ผู้เขียนอุทานในใจว่านี่ท่านเดินมาตั้งยี่สกว่ากิโลเมตรทำไมหนาจะต้องมาเดินจงกรมอีกมันจะมิเกินไปหรือแต่เมื่อถูกคาสั่งแล้วก็ต้องทาตาม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 โดยส่วนมากท่านจะอธิบายสียก่อนเราถามเสมอในเมื่อเราคิดอยากจะรู้อะไรต่างๆเช่นคราวนี้ท่านพูดขึ้นว่าวิริยังคุณเคยเห็นไหมที่นักปฏิบัติกรรมฐานหรือพวกที่ทำสมาธิภาวนาคุยอวดตัวอวดตนถือมานาทิฐิว่าดีกว่าผู้อื่นเข้าใจตัวเองผิดทำสมาธิเพื่อโอ้อวดแข่งดีทาสมาธิเพื่ออุบายกโลบายต่างๆนานา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 มันยังฝังลึกอยู่ในส่วนลึกของหัวใจพวกเราอย่างหนักแน่นว่าถึงผู้ที่ได้รับคุณธรรมตามเป็นจริงถึงแม้ว่าฟันซีนี้ของท่านจะพูดไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่มีวิญญาณแต่ฟันซีนี้ก็ยังมีผู้เขียนเป็นผู้ระลึกถึงคำพูดอันเป็นธรรมวิจิตของท่านอยู่ผู้หนึ่งทั้งยังเป็นผู้พูดแทนท่านอีกด้วยผู้เขียนต้องยอมรับอย่างเปิดอกว่า ธรรมเทศนาที่ผู้เขียนใชร์สอนพุทธบริษัทอยู่ทุกวันนี้ก็คือได้จำมาจากขี้ฝันของท่านอาจารย์มั่นมานั่นเองฝันซี่นี้จึงมาทำอนุสติสำคัญนักแก่ผู้เขียนแม้ธรรมะต่างๆที่ผู้เขียนได้เกิดขึ้นจากปริชาของตนเองก็ไม่ใช่ไม่มีมีเหมือนกันและก็ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลจากต้นคลังธรรมขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง ครั้งหนึ่งผู้เขียนได้ไปประเทศซีลอนคือศรีลังกาได้มีโอกาสไปที่จังหวัดแดนดีอันเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วผู้เขียนได้เข้าไปชมพระเขี้ยวแก้วครั้งนี้ด้วยการบังเอิญที่สุดขณะที่ผู้เขียนเดินเข้าไปที่ปราสาทอันเป็นที่ประดิษฐานพระเกี้ยวแก้วนั้นก็พอดีพระสังฆราชของลังกาประเทศนี้ได้เข้ามาพอดีมันเป็นวันพิเศษที่พระสังฆราชเสด็จมา ผู้เขียนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพระองค์นี้เป็นพระสังฆราชผู้เขียนก็เดินตามท่านไปมีพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกายืนรับอยู่สองฝากทางเดินเข้าผู้เขียนก็ชักเอะใจว่าพระองค์นั้นคงเป็นพระสำคัญแต่ไหนๆเราก็เดินตามท่านมาแล้วจะเอะอะไปอย่างไรตกระไดปล่อยโจรเถอเดินตามท่านเข้าไป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 พระสังคราชกับผู้เขียนยืนเคียงกันมีทหารยืนยามถือหอกปลายปืนอารักขาสองคนพระสังคราชกับผู้เขียนพูดไม่รู้ภาษากันท่านได้ยื่นดอกไม้มาให้ผู้เขียนสองกำมือเพื่อทำพิธีบูชาข้าพเจ้ารับดอกไม้นั้นอย่างอ่อนน้อมเป็นพิเศษพระสังคราชยิ้มและท่านก็โปรยดอกไม้ลงที่ท่านบูชาข้าพเจ้าก็โปรยดอกไม้ลงที่ท่านบูชาเหมือนกัน ท่านประนมมือกล่าวคำบูชาข้าพเจ้าก็ประนมมือกล่าวคำบูชาประมาณสิบนาทีเวลาอนันระทึกใจของผู้เขียนได้เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้คือพระสังฆราชเปิดพระอกครอบพระเกี้ยวแก้วแล้วส่งน้ําผู้เขียนได้เห็นอย่างถนัดชัดเจนลืมใจอีกแล้วว่าถึงใจของผู้เขียนนึกไม่เสียทีที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากประเทศไทยได้เห็นพระเกี้ยวแก้ว